เนติประกรณ์เนี่ยคงพอจําชื่อคําทีได้บ้างครับนะไม่ได้อะไรก็ได้ความหมายของคําทีไปก่อนก็ยังดีนเ น, นติประกรณ์ประกรณ์ก็เป็นคือตํารานงะถ้าเป็นสมัยใหม่เรียกว่าตําราก็ได้หรือหนังสือก็ได้แต่สมัยก่อนนั้นเขาจะไม่เรียกคําว่าตําราหรือหนังสือเขาใช้คําว่าประกรณ์ สมัยนี้ก็รู้กันในนามตำราหรือหนังสือทีนี้คำว่าเนติปกรณ์เนตินะหมายคำว่านำไปสู่มรรคผลนิพพานจำง่ายๆว่าเป็นคำพีที่บอกแนวทางเพื่อนำไปสู่มรรคผลนิพพานพราะตัวคำพีเองเนี่ยนำไปมรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกแต่เป็นคำพีที่ชี้ทาง ให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคนิพพานคำพีที่ชี้ให้เห็นมรคนิพพานเนี่ยนะแบ่งเป็นสมเรื่องใหญ่ๆ3่ามเรื่องใหญ่ๆ เ, เรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับหาระหาระในที่สองเรียกวันนยะอย่างที่สาศาสนประทานเนติ ป, ปรกรณ์เป็นคำพีที่เป็นกุญแจไขพระไตรปิฎก หรือเป็นอัตตกถาก็ได้ในติปรกรณ์นี้ถ้าเปรียบแล้วเป็นลักษณะอัตตกถาอย่างหาระเนี่ยนะหาระหานะหาระหมายถึงว่าวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือถ้ามีความรู้ในเรื่องหาระเนี่ยจะละความเข้าใจผิดในคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าสอนสอนอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมเรียกว่าปริยัติธรรมใชม่เวลาที่พระองค์ประกาศออกมาเป็นปริยัตแต่ปริยัตอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการปฏิบัติหรือเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้ปริยัตเนี่ยที่พระองค์แสดงที่เราจะเข้าใจคําที่พระองค์แสดงได้เนี่ยนะพระมหากัจจายนะท่านก็มารวบรวม หลักการที่จะทําให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยพระองค์ประสงค์อะไรถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยที่คนมีบุญสมัยที่คนมีปัญญามากๆเขาฟังแล้วเขาเห็นเป็นอริยสัจเลยของเราฟังยังไงเอ้ยมันเป็นอริยสัจข้อไหนมาเนี่ยมีบางคนก็ว่าเอ๊ะเนี่ยอ่านมาไม่เห็นมีอริยสัจเลยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าห่างไกลขนาดนั้น อันนี้แหละที่พระมหากัารยนะท่านอาศัยกรุณาต้องเข้ามามาช่วยมาช่วยบอกว่าเออคานี้มันเป็นอริยสัจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เขาจึงบรรลุกันเนี่ยนะของเราก็บอกว่าพระมหาการยนะว่าก็ยังยากอีกก็แสดงว่าถ้าพระมหากัารยนะบอกแนะแนวขนาดนี้ก็ยังยากก็คงต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วละ่ะ ที่เหลือก็ไปทําบุญไหว้พระเจดีเอาไว้เยอะๆแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าโดยบุญที่ปัดกวาดเช็ดถูเอาผ้ามาห้อมมาล้อมดอกไม้ธูปเทียนที่ทําบูชาจงเป็นไปเพื่อให้ได้รู้ตามพระพุทธเจ้ารู้ด้วยเถิดทําไมชาตินี้ทําไมไม่ทำไมเข้าใจยากเย็นเหลือเกินเนี่ยนะก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้เนี่ยนะระยะต่อไปอาจจะมีฉันถ้ามีศรัทธาที่จะเข้าใจได้ ทีนี้ความที่อดีตเราสะสมมาน้อยเนี่ยพอมาฟังปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตอบได้เหมือนกันหมดคือยอดนะเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นญาณนะหรือเป็นญาณเหมือนกันแต่เป็นญาณที่นําออกจากทุกข์ใช่ไหมถ้าเป็นญาณแบบชาวโลกนะเขาเอารถมาเนี่ยเอามาวางขายเนี่ยโอรถดีไหมดีแต่แพงไปหน่อยนะที่พูดเหมือนกันหมดคือโอแพงหมดเลยทุกคันเหมือนกัน ในทางธรรมะก็เหมือนดีไหมโอ้ดีมากเลยแต่ยากไปหน่อยต <c oughs> อนนี้ก็ลักษณะเดียวกันมันก็ทําให้เห็นว่าคงต้องเดินในอีกนานนะถ้าไม่คิดจะขึ้นยานของของพระสารีบุตรของพระมหากรเจนะของเรานี้ถ้าเป็นเรียกแบบเชื้อสายตามวงเนี่ยนะเรานี่เป็นสารีปุตตวงคือวงพระสารีบุตรอย่างหนึ่งเพราะเราเรียนอะไรปฏิสัมพิธามักเรานี้เป็นวงของพระมหากรเจนะเพราะเราเรียน เนติปกรณ์แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อาศัยพระอนนท์เนี่ยนะก็ได้สามวงใหญ่ๆเลยนะแต่ถ้าเป็นวงพระเรวตานะ่ต้องชอบต้นไม้กว่า น, นี้นะพระเรวตนะไหมท่านยินดีในการเพ่งฌานท่านจะหาโน่นไปอยู่ป่าสแกโน่นนะนะฮะอยู่ป่าอยู่เขาเนะี่ยนะั่นแหะเป็นวงของพระเรวตะแต่ถ้าสมาทานทุดงเคร่งคัดในศีลเป็นพิเศษเลยนะอันนี้ก็วงของพระมาหากัสสปะ อันนั้นเป็นส ม, มณะวงเป็นวงของพระริยเจ้าแต่ตอนนี้ขอติดตามวงของกายก่อนพระสารีบตรกับพระมหากัจจยนะโดยเฉพาะพระมหากัจจยนะผู้แสดงธรรมอย่างย่อให้พิสดารพระสารีบตรผู้เลิ่ทางปัญญาทั้งสองท่านเป็นผู้รู้พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่สุดนนะ ผู้ที่มีปัญญาที่สุดเนี่ยนะจะต้องผู้มีปัญญาด้วยกันจึงจะรู้ความประสงค์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาหาเครื่องเปรียบปานไม่ได้ประดุดอากาศอากาศหาที่สุดไม่ได้ฉันใดปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หาที่สุดไม่ได้ฉันนั้นทีนี้ผู้ที่มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้อย่างนี้คนทั่วๆไปฟังไม่ค่อยเข้าใจเมื่อไม่ค่อย เ, เข้าใจเนี่ยผู้มีปัญญาด้วยกันก็จะชี้แจงว่าที่พระพุทธเจ้าประสงค์ประสงค์อย่างนี้นะ ที่พระพุทธเจ้าแสดงคำเนี่ยแสดงอย่างนี้เช่นหาระเนี่ยนะที่เป็นวิธี ข, ขจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์หรือคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนหรือที่เราเรียกกันว่าพยัญชนะเนี่ยนะพระมหากระจายนะก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะสอนมีวิธีสอนอยู่ใหญ่ใหญ่อยู่เท่าไหร่ห้าหรือหกหกน ะ, ะตัวเลขจะจำมาก็ได้แล้วนะ เรียรนอนุสัยขั้นอาทิตย์เดียวนะเพราปไปเพ่งอนุสัยอยู่ก็ <a> <hi> ถ้าพระพุทธเจ้าจะสอนหรือจะแสดงธรรมเนี่ยนะแก่พโยคีทั้งหลายหรื อ, อผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพระองค์จะแสดงอาสาธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตเนี่ยนะแสดงหกประการเนี่ย อย่างที่รู้กันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนหรือพระองค์แสดงธรรมอย่างไรก็ไม่พ้นอริยสัจอยู่แล้วใช่หมยังไงพระองค์ก็ต้องแสดงอริยสัจการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงอัาธานี้เท่ากับประกาศสัจจะอะไรสมุทัยสัจเห็นไหเพราะว่าสมุทัยสัจเนี่ยโลกทั้งหลายเนี่ยเป็นโลกที่เพลิดเพลินด้วยอำนาจของสมุทัย ขนาดป่วยเกือบตายก็ยังหวังอยู่อดีมันอัศาภะมันแรงขนาดนั้นเนี่ยนะโดยที่สุดทุกปานใดก็ตามก็ยังแอบหวังนิ่หวังอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั่นแหละเป็นอัศธาถึงจะหวังอะไรก็ตามปุตุชนทั้งหลายเมื่อหวังโดยมากก็หวังทุกใช่ไหมก็หวังอารทีนะวะนะหวังสิ่งที่จะมีโทษอีกต่อไปเอาเอาง่ายๆว่ามีใครหวังสิ่งที่ไม่มีโทษบ้าง สิ่งที่ไม่มีโทษนะตรงๆเลยคือมรรคผลนิพพานเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษโดยประการตั้งปวงแต่วัตถุอื่นที่เหลือนำมาซึ่งโทษในตอนท้ายอีกในที่สุดในที่สุดจะต้องมีโทษอีกจนได้ในปาสราสิสูตรเนี่ยโรงแสดงถึงว่าพวกสรพรพสัตว์ทั้งหลายนะโดยทั่วๆไปเนี่ยก็ตัวเองเป็นผู้มีชาติชาราพยาธิมรณะโศกะ ปริเทวะอุปายาตและก็เศร้ามองเนี่ยก็คือเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าใจความที่ไรรําพันความคับแค้นใจมีความเศร้าหมองด้วยกิเลสทั้งหลายเนี่ยผูกพันก็สแสวงหาสิ่งแบบนั้นอีกนั่นแหละที่หาแต่สิ่งแบบนั้นหาสิ่งที่แบบที่เรียกว่ามันทุกๆเหมือนเต่าเนี่ยนะมันเขาเขาคิดได้อยู่เท่านั้นจริงๆเมื่อเขาสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นโดยมากเขาก็จะ พ้นอาทีนวะไหมเขาสแสวงหาสิ่งที่มีอาทีนวะตลอดเวลาควนควายสแสวงหาแต่สิ่งที่มีโทษเขาจะพ้นจากโทษได้อย่างไรฉนั้นพระองค์ก็ประกาศอาทีนวะเป็นลำดับต่อมาแต่ว่าออกได้นะออกได้สลัดออกได้นะอันนั้นเป็นนิสรณะเป็นนิโรสัจจะว่าออกได้จริงๆขอให้มีสัทธทานน้อมไปเพื่อการออกเถอะถ้าไม่ออกมีผลยังไง ถ้าออกมีผลยังไงอันนั่นแหละเป็นผลใช่ไหมภะละถ้าไม่ออกจากวัตตะเนี่ยนะถ้าไม่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยผลของเขาคืออะไรก็วัตตะวัตตทุกขทั้งหลายไม่มีจบมีสิ้นถ้าไม่คิดจะออกนะแต่ถ้าออกละ่ะโสดาปฏิผลดสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลนั่นเป็นผลของนิสรณะนะ ถ้าปฏิบัติตามนิสสรณะจะได้สามัญญผลทั้งหลายอันนิสงก็คือความสิ้นไปแห่งวัตถุกก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องอึดอัดคับแค้นใจอีกต่อไปถ้าผู้ที่ออกได้ผลเป็นอย่างนั้นแล้วที่จะได้บรรลุผลนั้นเนี่ยทำยังไงจึงจะได้บรรลุผลอันนั่นแหละเป็นอุบายเมอกนั่งสนทนากับผู้การมาเนี่ยเราเคยได้ยินกันไหมว่า เมื่อบุคคลเหตุอาวัชนะใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเกิดปราโมดปราโมดนี่นำมาซึ่งอะไรปีติปีตินำมาซึ่งปัสสติปะสะัปะสสตินำมาซึ่งสุขสุคนำมาซึ่งสมาธิสมาธินำมาซึ่งยถาภูตยานัทสนะยะถาภูตญาทัทส น, นำมาซึ่งอันนั้นิทา นิพพานนำมาซึ่งวิราคะวิราคะนำมาซึ่งวิชากับวิมุตต์สรุปก็คือความสิ้นไปแห่งวัตทุกขเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ปราโมท ด, ดีใจแปลง่ายๆว่าไม่เที่ยงนะคิดถึงความไม่เที่ยงแล้วดีใจคิดถึงว่าเป็นทุกข์แล้วดีใจคิดถึงว่าเป็นอนัตตาแล้วดีใจเนี่ยของเราเนี่ยดีใจบ้างหรือ ย, ยังเออขันห้ามันไม่เที่ยงโอ้ดีใจมากเลยนะที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงคุณนุษดีใจบ้างหรือ ย, ยัง ที่รู้ว่าขันห้าไม่เที่ยงจะแสดงว่ายังไงยังไงอยู่นะเนี่ย <laughs> ในเวลาได้ยินว่าขันห้านี่มันทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะขันห้ามันเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรปานาคดีใจหรือยังดีใจหรือยัง <laughs> ถ้ายังไม่ดีใจนะแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนัแหละแสดงว่าอโยนิโสมันเกิดแล้ว คุณวัยเนี่ยดีใจไหมบอกโอ้โหขันห้ามันเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงด้วยเพราะมันเป็นทุกข์ด้วยนะดีใจหรือยัง <c oughs> ontec, ให้เกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีปัญหานะทําไมไม่ดีใจเป็นเรื่องที่น่าดีใจเป็นอย่างมากเลยทําไมเราไม่ดีใจเนี่ยนะการเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดีใจเป็นอย่างมาก ปลื้มเลยนะมีความสุขโอ้ดีจริงๆเลยการเห็นว่าไม่เที่ยงเลยนะการเห็นว่าขันท่าโดยเฉพาะเป็นโรคเนะี่ยบอก ว, ว่าวิชาที่คนฟังแล้วค่อนข้างเครียด <c oughs> คือวิยาทีนวาสัญญาที่าจรณาโดยความเป็นโรคเนี่ยนะนะเพราะว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งแพทย์ทั้งหลายที่เรียนโรคทั้งหลายเนี่ยแพทย์บางคนไปคิดว่าตัวเองเป็นโรคเลยซ้ำไปเวลาเรียนโรคมากๆก็เลยที่ให้เราเป็นโรคอันนั้นจริงหรือเปล่า ของเราเนี่ยเห็นพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเราน่าจะดีใจถามว่าน่าดีใจยังไงเพราะผลที่พระผู้มีพระภาคสอนเอาไว้เนี่ยคนที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเขาดีใจกันนะใช่ไหมอย่างที่พระองค์ตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญยะปสติเนี่ยน ะ, ะเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงว่า ไม่เที่ยงเขาจะเหนื่อยหน่ายในทุกในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในทุกนั่นแหละนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานนั่นเป็นข้อปฏิวัติเพื่อให้อริยมรรคเกิดอริยมรรคเกิดนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันที่จริงเราเห็นไม่เที่ยงหนึ่งครั้งเราน่าจะดีใจว่าเราใกล้พระนิพพานแต่ถ้าเราเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วเสียใจเนี่ยนะแสดงว่าเราไม่ได้คิดถึงนิพพานอะไรหรอกนะไม่ได้ต้องการนิพพานจริงๆถ้าเห็นว่าขันห้าคือตัวโรคโอ้โหใช่ละตัวโรคเลยอ่ะ แล้วอึดอัดมากก็แสดงว่าเราไม่ได้ต้องการนิพพานจริงใช่หัหยถ้าเห็นว่าขันห้าเป็นอนัตตาเพราะไม่เที่ยงด้วยเพราะเป็นทุกข์ด้วยเราก็เห็นแต่ว่าเราเครียดเนี่ยนะก็แสดงว่าเราไม่ต้องการท่านิพพานอย่างแท้จริงซึ่งเรารู้พิษภยัยรู้โทษภัยของขันห้าเท่าไหร่เราน่าจะดีใจให้มากเท่านั้นเถอะน่นาดีใจเท่านั้นนะถามว่าทาไมจึงน่าดีใจ ก็สมมุตินะเหมือนกับเราเนี่ยไปไม่ทันรถสักเส้นหนึ่งนะตีตัวรถบขสหรือรถที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งนะหรือรถคันใดคันหนึ่งแล้วเราไปไม่ทันปกติเราจะเสียใจไหมว่าเราไปไม่ทันแต่ถ้ารถคันนั้นแล้วมันประสบอุบัติเหตุตายไม่มีเหลือเลยนะตอนที่ตอนหลังเราจะดีใจหรือเราเสียใ จ, ใจอ้อาวทำไมดีใจอ่ะดีใจเนี่ยเกินที่ไปไม่ทันใช่ไหมถ้าไปทันนี่แย่ไงนะ แล้วมันก็เปรียบเทียบอุปมาเหมือนเที่ยวบินเนี่ยนะถ้าเรามาไม่ทันเที่ยวบินเนี่ยนะถามปกติเราจะเสียใจไหมเสียใจถ้าเที่ยวบินอันนี้ถ้าเกิดชนเขาล่ะว่าดีใจมากเลยที่มาไม่ทันฉันใดก็ดีถ้าเราเอ่อทำไมเราจึงดีใจอะ่ะเพราะเราเราเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นใช่ไหมดีนะที่เราไม่เข้าไปผูกพันกับสิ่งนั้นพอเราไม่เข้าไปผูกพันกับสิ่งนั้นเราเลย ไม่ต้องเสียใจกับสิ่งนั้นขันห้าเนี่ยที่เที่ยงเคยเห็นไหมไม่มีในที่สุดขันห้าทุกขันจะต้องแตกทาลายเป็นที่สุดอยู่แล้วอันนั้นคือธรรมชาติที่เป็นจริงอ่ะนะต่อให้ใครมายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ฉุดขันห้าให้เที่ยงไม่ได้จะแน่นอนขนาดไหนอ่ะนะเอาใครทำให้คนไม่ตายได้บ้างเคยพบไม่ใครไม่ตายเลยนะแค่อายุร้อยห้าสิบปีตอนนี้ยังไม่มีให้เห็นเลยนะ สองร้อยปียิ่งหมดสิทธิ์เลยนะเกิดมาตั้งโอ้สัตวรวัไหนผ่านไม่รู้มากี่สัตวรรษมาแล้วนะน่าจะมีคนไม่ตายให้เห็นสักคนหนึ่งบ้างทั้งๆ ท, งที่ขุดหายาเนี่ยนะขุดมาเป็นพันๆปีแล้วนะจักรพรรดิบางองค์เนี่ยโหสแสวงหายามากยาอมตะห้ามยังไงก็ไม่มีใครหาพบองครัก์ที่ทักรักษาเนี่ยแวดล้อมเต็มไปหมดก็รักษาให้ขันห้าไม่เที่ยง ที่นี้ของเราทั้งหลายเนี่ยเราต้องรอให้มันระเบิดก่อนหรือเราจริงจะเออใช่มันไม่เที่ยงตอนนั้นเนี่ยได้อะไรอ่ะได้แตกวายกับกรี๊ดโอ้คิดถึงใครดีโอ้พระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมคงไม่ค่อยไม่ค่อยมีอนะรถบาดหน้าโอ้พุทโธธรมโมสังโฆรถบาดหน้านะโมตสระไม่ค่อยมีอ่ะนะนทททมีแต่เออ เท่ามีโทษเท่าปานาติบาเนะระวังให้ดี น, นนะมีโทษเท่าปานาติบาตนะต่ทบทวนไม่ดีแต่คำคำทั้งหลายแล้วนี่นนะทีนี้ถ้าเรารู้ถึงความไม่เที่ยงเราน่าจะดีใจเพราะว่าปลอดภัยแล้วเพราะหมายถึงการน้อมไปเพื่อการออกจากสิ่งนั้นใช่ไหมถ้ายิ่งเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเท่าไหร่เราก็จะน้อมไปเพื่อออกจาก ขันท่าเท่านั้นผู้ที่ออกจากขันท่าได้อย่างแท้จริงเรียกว่าผ่ารหัสหรือเข้าถึงนิสสรณธรรมทำเป็นที่สลัดออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเห็นขันท่าไม่เที่ยงยิ่งดีใจเท่านั้นควรแล้วที่จะดีใจแต่ถ้าเรายังไม่ดีใจนี่ก็ยังแปลกใจว่าทําไมไม่ดีใจนะทั้งๆ ท, ที่รู้ทางออกแล้วนะก็ยังไม่ดีใจนะก็พระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งพระนิพพานเอาไว้ให้ใหญ่โตเลยนะไม่เที่ยงแล้วไม่ดีใจนี่แปลกใจมากว่าทําไมเป็นอย่างนั้นไปได้ แล้วเป็นทุกข์เหรอเป็นทุกข์ก็คือพิจารณาเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเนี่ยถ้าเรารู้ขันห้าเห็นขันห้าเป็นเหมือนฝีเราน่าจะดีใจเห็นขันห้าคือตัวโรคได้ยินอย่างนี้เราน่าจะดีใจเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่ามีคนส่งขนมที่เราชอบที่สุดมาให้เราเลยนะถ้าขนมชิ้นนั้นอ่ะคือที่มาแห่งโรคสารพัดโรคะนะได้ทั้งเอทได้ทั้งมะเรง็งได้ทั้ง โรคตับโรคไตโรคปอดสารพัดโรคเพราะขนมชิ้นที่เราเคยโปรดปรานที่สุดเนี่ยนะปกติเห็นขนมก็ น, นี้ขเมเอก่อนแล้วไม่ปัจเจเวกอะไรสักอย่างหรอกแล้วตอนหลังามาเห็นขนมชิ้นนั้นเราเห็นปั๊บรู้เลยเออเนี่ยเจ้าที่มาของสารพัดโรคเนี่ยนะไอตัวนี้แหละแพร่เชื้อโรคมากับขนมอันเนี้ยนะรู้ก่อนนะเราไม่รับประทานเนี่ยถามว่าดีไหมดีเพราะถ้ารู้อ่ะถ้าทานไอ้ขนมชิ้นนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะ นะนะเป็นเอดสนีใครจะมีความสุขบ้างนะสองถ้เป็นมะเร็งนะสกินแล้วเอามาพลึกอามาพาดทันทีเลยนะเพราะนดีใจใช่ไหมว่าเราไม่ได้บริโภคไอไอสิ่งนั้นขันห้าก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าขันห้าเป็นโรคนะเราก็จะไม่ได้ไปกลืนกินเบ็ดเสร็จเพราะขันห้ามีขันไหนมั่งที่เราเข้าไปผูกพันแล้วเราไม่ต้องเสียใจ โดยที่สุดโดยที่สุดอันนี้เอาเอาพูดสูงสุดให้เห็นนะว่าสังขารขันหรือขันห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระนนท์นี่ร้องให้เลยนะรูปประขันของพระพุทธเจ้าแตกทำลายเนี่ยพระนนท์ร้องให้เลยอันนั้นคือขันห้านี่ขนาดขันของผู้บริสุทธิ์หมดจดยังเป็นที่ตั้งแห่งโสกกะปริเทวทุกโทโมนัตและอุปายาจจะ ก, กล่าวปยายถึงขันของลูกหลานเราเล่านะ หรือขันของเราเนี่ยทำไมจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาชั้นถ้าเรารู้ถึงโทษภัยขนาดไหนก็น่าจะดีใจว่าเราได้หลีกออกจากขันห้าอัธยาสัยคือใจของเราเนี่ยน้อมออกจากขันห้าอย่างแท้จริงอันนี้เรียกว่านิสรณัตอัธยาศัยเรียกว่ามีอัธยาศัยย่ต่อพระนิพพานอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นการทําตีรณะปริญญาเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีควรแล้วที่เราจะดีใจเนี่ยนะควรดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้ายิ่งรู้โดยความเป็นอนัตตาด้วยเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครอํานาจไม่มีใครมีอํานาจที่แท้จริงใช่ไหมขอสิ่งที่เกิดแล้วอย่าแตกทาลายขอไม่ได้ไอ้ที่แตกทาลายแล้วก็ขอให้เกิดขึ้นใหม่เป็นไปได้สมหวังไหม ก็ไม่ได้นะขอขันห้าที่เป็นทุกข์ขอให้เป็นสุขเถิดมีผู้ใดมีอำนาจจริงไหมไม่มีจริงเพราะขันหก็คือขันห้าวันยังค่ำเกิดพระวิชาตันหากรรมอาหารเป็นต้นเป็นตัดใจเมื่อไม่บุคคลไม่มีใครเข้าไปมีอำนาจในขันห้าได้อย่างแท้จริงนะถ้าเรารู้ว่าขันห้าเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของผู้ใด ส่วนทั่วๆไปเนี่ยนะสิ่งที่เราไม่มีอำนาจด้วยเนี่ยเราจะมีใจไปข้องเกี่ยวผูกพันกับสิ่งนั้นไหมทาอะไรก็ไม่ได้เสียหายกว่าปานนั้นไม่เที่ยงกว่าปานนั้นเป็นทุกขกว่าปานนั้นไม่ได้เข้าไปมีอำนาจแม้แต่นิดเดียวหน่อยเดียวเลยเป็นที่ตั้งแห่งทุกโธมนันเป็นอย่างมากเรารู้อย่างนี้แล้วเราได้ลีกออกเนี่ยน่าดีใจขนาดไหนเนี่ยก็ดีแล้วที่ที่น่าดีใจถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่ที่ คิดจะมีครอบครัวเนี่ยนะตอนหลังได้รู้ว่าคู่ครองของเราที่ที่ว่าที่คู่ครองของเราต่อไปเนี่ยนะเป็นคนสุดยอดที่เรียกว่าเรารังเกียจคนชนิดนี้มันที่สุดอยู่แล้วเนี่ยนะเรารู้เขาสิ่งนั้นอะ่ะหนึ่งการพานันก็ปานนั้นขี้ยาก็ปานนั้นมีเชื้อเอส ด, ด้วยนี่สินท่วมตัวไปหมดหวังจะมาปลอกลอกเราทุกกระบวนท่า น, น่นะ ถามว่าเรารู้ก่อนเนี่ยแล้วเปลี่ยนแปลงเข้าไม่ได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยที่เราไม่ได้เข้าไปผูกพันเนี่ยถามว่าเราดีใจไหมก็น่าดีใจใช่ไหมโอ้โหเนี่ยถ้าได้กี่ผูกพันกันนะั้นมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยชั้นไดก็ดีถ้าเรารู้ว่าขันห้าไม่ว่าจะเป็นขันภายในขันภายนอกขันอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลวปรียดใกล้ไกลไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปมีอํานาจในขันห้าเหล่านั้นอย่างแท้จริงแล้วอเ เขาเสียหายโดยที่เราคาดไม่ถึงนําความทุกข์โดยคาดไม่ถึงใครที่มีจิตหลีกออกจากขันห้าได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยน่าดีใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นการรู้อุบายรู้อุบายที่จะออกจากขันห้าขอให้เกิดปีติสุขโสมนัตเถอะว่านั่นแหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์พระองคตว่าไม่มีหรอกนะถ้าใครไปตามเพลิดเพลินในขันห้า แล้วจะออกจากวัตถทุกขจริงไม่มีมีแต่เสริมวัตถทุกมีแต่การเพิ่มวัตถทุกเพั้งการเจริญวิปัสนาก็คือการตามดูโทษของขันห้ารู้โทษของขันห้าเท่าไหร่ใจก็น้อมออกจากขันห้าเท่านั้นผู้ที่สลัดออกจากขันห้าเนี่ยนะเรียกอะไรเอกโตวุฒิฐานะอันนี้เป็นชื่อของยานระดับไหนโคตรภูออกโดยส่วนเดียวจ้นะเนี่ย ทูปโตวุฒานะออกโดยส่วนสองล่ะอริยมรรคใช่ไหมเพราะอริยมรรคเนี่ยลักษณะเขานิยานิกะคือลักษณะที่นำออกจากทุกข์เพราะถ้าเราเห็นอย่างไรรู้อย่างไรจึงจะออกจากทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละคือเทศน า, าระเพราะเทศนาหาระพระองค์จะแสดงอาสาท้าอาทีนวะนิสรณะผลอุบาย สุดท้ายแนหะถ้าไม่ทําตามโน่นพิสูุนทั้งหลายโคตรไม้โน่นเรือนว่างอย่าเสียใจน ะ, เ, ะเดี๋ยวท่านจะเสียใจในภายหลังเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระศาสดาพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่หมดชีวิตของเธอก็ยังหนุ่มแน่นเป็นต้นเนี่ยนะรีบเจริญนะอย่ต้องเสียใจในภายหลังอนะ่ะของเราก็อาจจะพูดคํานี้ได้นะจะต้องให้นอนโรงพยาบาลก่อนหรือค่อยเจริญเนี่ยนะดีแล้วที่มันสุขภาพขนาดนี้นะถ้าแกกว่านี้แย่แน่นะ จะมาฟังทำก็ยังมาไม่ได้เนื้อะไรก็เนื้อไปออกเพราะเจริญตอนนี้มันดีที่สุดแล้วเนีย่ยนะเพราะพรุ่งนี้จะเลวร้ายกว่าวันนี้ถามว่าถ้าพรุ่งนี้ผ่านไปผ่านอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราจะเป็นสาวขึ้นไหมใช่สาวน้อย <c oughs> น, น, นะเหลือน้อยเต็มทีนะหนุ่มน้อยสาวน้อยก็แปลว่ามันเหลือน้อยทุกทีเลยนะ นึกถึงส่วนไหนก็แย่ไปทุกทีทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรียกว่าดีที่สุดก็ดีที่สุดแล้วจะดีกว่าพรุ่งนี้ป ร, รื น, นี้ดีกว่าปีหน้าเหมงอนันเถอะดีกว่าปีหน้าดีกว่าอีกสิบปีข้างหน้าถามว่าอีกสิบปีข้างหน้าคิดว่าผู้การจะมาฟังทำอย่างนี้ได้ไหมยิย่งยามไม่ไหวแล้วแต่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรียกว่าเป็นกาละเป็นสมัยที่ดีที่สุดเหมัอนกันนนะ ก <G ül> ็ที่ไหนมีฟังธรรมก็สร้างตูปให้ผู้การสักหลังหนึ่ง <G ül> อยู่ใกล้ๆตูปก็คือกระท่อมก็เจริญกุศลเนี่ยนะบอกว่าเจริญกุศลมากแต่ปีติไม่ค่อยเกิดก็เหมือนกับพูดคําว่ารดน้ําทุกวันทุกวันแต่ดอกบัวมันก็เฉาลงเฉาลงก็แสดงว่ามันน่าคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือควรที่จะต้องเกิดปีติและปรามโมทเนี่ยนะ ถ้าหากว่าปีติปราโมทไม่เกิดนะ่าเอาแบบนางวิสาขาก็ได้ให้ทานแล้วก็น้อมไปเพื่อให้เกิดปีติและปราโมทใช่ไหมนางเนี่ยตั้งโรงทานนะนะตั้งโรงทานโดยเฉพาะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพิสูจนที่เป็นพระอริยะเนี่ยเยอะใช่ไหมนางก็วางแผนถ้าพระคันตุกะมาให้มาฉันที่บ้านนางถ้าพระคันตุกะจะไปขอให้ฉันบ้านนางก่อนถ้าพ ร, พระป่วยขอให้ฉันที่บ้านนาง แล้วก็ถ้าพระที่ดูแลพระป่วยก็ขอให้ถานที่ว่านนาะงตอนหล้างก็บอกว่าเห็นประโยชน์อะไรจึงขอพรเหล่านี้นางวิสาขาก็บอกว่าก็จะได้ถามว่าพระภิกษูจน์ที่ท่านสิ้นชีวิตไปนั้นนั้นเนี่ยพระพิสูจน์ทั้งหลายก็จะไปถามพระพุทธเจ้าว่ารูปที่สิ้นชีวิตนั้น น, นเนี่ยท่านได้คุณธรรมอะไรกันบ้างพระองค์ก็จะบอกว่าองค์นั้นโสดาบันองค์นั้นสกท า, าคามีองค์นี้อนนาคามีองค์นั้นผ่าอาหารปริณิพานแล้ว นางพอได้ฟังอย่างนี้ก็จะถามว่าท่านเหล่านั้นเคยมาเมืองสาวัตถีไหมบอกถ้าเคยมาบอกยังไงก็ต้องเคยฉันอาหารของหม่อมฉันอันนั้นแหละจะเป็นการเจริญอินทรีย์เจริญชัฏพระเจริญโพชชงของหม่อมฉันเพราะฉะนั้นเขาให้ทานเนี่ยตั้งไว้เพื่อให้เกิดปีติและปราโมทเราเรียนธรรมะทั้งหลายเรียนพุทธคุณนเนี่ยนะเราเข้าใจพุทธคุณเท่าไหร่เราก็ดีใจ ควรจะดีใจว่าเราได้นับถือบุคคลที่ควรนับถือแล้วเราได้บูชาคนที่บวกควรบูชาแล้วบรรดาคนที่ควรกราบควรไหว้ควรถวายชีวิตให้ไม่มีบุคคลใดเกินพระพุทธเจ้ายิ่งรู้คุณเท่าไหร่เรายิ่งน่าจะดีใจให้มากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเราได้ถวายชีวิตให้แก่ผู้ที่เขามีคุณเช่นนี้จริงๆถ้าไปถวายชีวิตให้บุคคลอื่นที่ไม่มีคุณเช่นอรหันตะคุณเป็นต้นเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหม ยังชอบข้อความในอัตถกถาจูลสีหนาสูตรท่านบอกว่าถ้าศาสดานั้นไม่ได้เป็นอริยะนะถ้าศาสดานั้นไม่ได้เป็นอริยะสิทธิ์ทั้งหลายก็ไปถวายชีวิตให้ศาสดาที่ไม่เป็นอริยะถามศาสดาเนตายไปเกิดที่ไหนท่านบอกว่าถ้าศาสดาตายแล้วไปเกิดเป็นนาย n i r ยบาลสาวกก็จะตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรก นายนิรยาบาลจะกรุณาไหมไอคนนี้มันอุปถากชันเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ลงโทษไอคนนี้ไม่นายนิรยาบาลจะไม่มีกรุณาต่อสัตว์นรกฉันใดศาสดาที่ไม่ได้พ้นทุกจริงอะ่ะลักษณะนั้นเพรา ะ, ะถวายชีวิตให้คนที่ไม่ได้เป็นพระอริยะจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นไปเจอชาติหน้าเขาเป็นนายนิรยาบาลเราชั้นอุปถากแกมาเนะแล้วแกต้องอย่าอย่าทำร้ายฉันเนละอันนี้ก็ไม่ได้หรือถ้าศาสดาเป็นนายเออเป็นสัตว์นรก าศาสดาเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะผู้ที่อุปถากหรือผู้ที่นับถือเนี่ยเป็นนายนิยบาลเนี่ยนะนายนิยบาลจั ก, กรุณาไหมไอ้คนนี่มันเคยเป็นาศาสดาของฉันนะไม่กรุณาฉันใดหรือว่าถ้ า, าศ Beyonce, สาสดาเกิดเป็นเสือสาวกเกิดเป็นเนื้อเสือจั ก, กรุณาไหมไอ้คนนี่มันเคยอุปถากฉันนะไม่กรุณาฉันใดอันท่าเรานับถือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะ เขาเหล่านั้นยังไม่พ้นอาบายเขาเหล่านั้นยังไม่พ้นไปจากวัตฏะเมื่อไม่พ้นจากวัตฏะเนี่ยนะไปอยู่อีกฐานะหนึ่งเราคิดหรือว่าเขาจะกรุณาเราเนี่ยนะเราควรหรือที่เราจะถวายชีวิตให้คนที่ไม่ได้มีเมตตาต่อเราตลอดไปเนี่ยนะแต่สําหรับพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์นี้พ้นแล้วจากวัตฏะในภูมิสาม เพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่มามาประทุสร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้กระทั่งทางความคิดไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่ควรเป็นอย่างยิ่งที่เรายัางใจให้เลื่อมใสที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าไม่มีบุคคลอื่นดีกว่านี้อีกแล้วอันถ้าเราเรียนพุทธคุณเท่าไหร่เราควรจะดีใจเท่านั้นรู้คุณเท่าไหร่ก็ควรจะดีใจเท่านั้นว่าเราได้นับถือผู้ที่พ้นจากทุกข์จริงๆแล้วท่านคือพระพุทธเจ้าเนี่ย จะชวนให้เราออกจากทุกข์จริงถึงเราออกยังไม่ได้ท่านก็ยังทอดสายพานเอาไว้ให้เราออกจนได้สักวันหนึ่งใช่ไหม